คฟังคะท่านกำลังฟังสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ154สถานีทั่วประเทศอยู่ในช่วงเวลาของรายการสรส น, นีสนทนาซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันสรส น, นีนากพง์นะคะเรามาพบกับพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุญโนวัดป่าดอนายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในช่วงเวลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะกันค่ะน้มัสการค่ะท่านคะย่าจเจริญพร วันนี้คำถามของท่านผู้ฟังชื่อคุณนัทกุนกุศลพงศ์วานิชนะคะท่านถามเกี่ยวกับเรื่องของวาจาสัตว์บุรุษที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่ า, าจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดมากนะคะ ถ้าแปลเป็นภาษาธรรมดาๆรรเนี่ยโดยยกมาเฉพาะในส่วนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสัตบุรุษในกรณีนี้แม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นําเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ ถามว่าเป็นมุสาหรือเปล่าโอ้โหอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากค่ะจริอาจจะมารอคําถามพวกนี้มานานคือเป็นคําถามที่ยกพุทธวจนะมาถามจะให้รางวัลเลยไหมคะ <c oughs> ท่านเห็นบอกว่าถ้ามีใครหยิบยกพุทธวจนะมาถามเนี่ยถ้าอาจารย์ภัยบูญอยากให้รางวัลใช่คิดว่าน่าจะมีคือบริษัทแบบนี้เป็นบริษัทที่เลิศค่ะคุณทิชาบอกว่าถ้ามีใครเนี่ยเอาพุทธวจนะนะมาสอบถามชวนถามเกี่ยวกันกละกันว่าข้อนี้อย่างไรมีความหมายกี่ใน แล้วเราใส่ถามส่วนถามแก่กันให้กระแจะกระแจ้แจ้งกระดานไปได้ะนะทื่อว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทอันเลิศค่ะเพราะฉะนั้นคำถามแบบที่ยกพุทธวจนะมาถามเนี่ยเราสามารถอธิบายได้แล้วสามารถแจ้งกระดางไปได้เนี่ยโอ้โหนี่ดีมากๆเลยค่ะฉะนั้นจึงอยากจะเชิญชวนผู้ฟังรายการหรือใครก็ตามที่อยากจะเปิดทาที่ถูกปิดเนี่ยยกพุทธวจนะมาเลยมาชี้แจงแถลงไขาการถามตอบกันด้วย สิ่งที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยจะดีมากๆเป็นบริษัทอัเลิศค่ะงั้นขอแทรกตรงนี้นิดนึงนะคะว่า <c oughs> บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับพุทธวจนะหรือบางทีก็คุ้นเคยจากการที่ฟังจากทางรายการแล้วพอฟังเนี่ยคำของพระพุทธองค์ที่เป็นพุทธวัจนะที่ร้อยเรียงกันอย่างงดงามสมบูรณ์แบบจดจําได้ไม่หมดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีรวบรวมอยู่ในหนังสือถ้าเป็นหนังสือเล่มใหญ่หน่อยท่านไม่เกี่ยงก็อยู่ในชุด จากพระโอษ์ซึ่งตอนนั้นเริ่มต้นทำที่สวนโมกของท่านเพื่อทาตแต่ว่าตอนนี้นี่ก็มีการนําออกมาพิมพ์ในส่วนที่มีการศึกษากันต่อให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ยังมีการย่อยเป็นเล่มเล็กนะคะโดยคณะของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสทิพโลเนี่ยส่วนหนึ่งอันนี้ดิฉันพูดเท่าที่รู้จักนะคะซึ่งอาจจะมีอยู่ที่อื่นอีกเนี่ยก็สามารถที่จะไปศึกษาแล้วก็หยิบยก เอามาถามท่านอาจารย์เผยบุญได้เลยเพราะว่าท่านอาจารย์เผบุญนี่ก็ศึกษาพุทธวจะนะมาเป็นระยะเวลา น, านานพอสมควรน ะ, นะคะค่ะเาจมายินดีมากถ้าถ้าใครจหยิบยกพุทธวจะนะมาถามใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวในส่วนเรื่องที่ใครหยิบยกมาถามแล้วเราจ ะ, ะมีกติกาอะไรกันอย่างไรเนี่ยนะคะยังคิดว่าเราว่ากันต่อไปแต่จริงๆรางวัลที่ได้นี่คือปัญญาแท้ๆเลยแล้วเคยได้ยินว่าพระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ที่หยิบยกคําของพระพุทธองค์แล้วก็เอามาเขาจะใช้คําพระพุทธองค์ใช้คําว่าอะไรนะคะ ท, ท, ที่ว่าเป็ น, นพุทธบริษัท<า>อะไรปุจชาวินีตาอะไรเนี่ยค่ะท่างคะปุชาวินิต <c oughs> อ่าอ่าบริโยสาอุ ก, กาจาวินีตาค่ะเป็นบริษัทที่ไต่ถามจนถามแก่กั น, ก น, กนและการให้รู้ล่วงไปได้หาใช่ด้วยการช่วยเหลือจากบริษัทเราอื่นไม่อันนี้เป็นบริษัทอันเลิศ ค่ะนะคะทีนี้อาจกลับมาถึงคําถามของคุณนัทแล้วเพราะว่าหลายท่านก็จจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมล่ ะ, ะถ้าถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นมุสาหรือเปล่าใช่ค่ะทีนี้เราต้องกลับมาที่ความหมายหรือ definition ของคําว่ามุสาก่อนค่ะพระเจ้าบอกว่ามุสาเนี่ยคือคือคนที่พูดไม่จริงและคนที่ไม่มุสาเนี่ยคือพูดความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคําพู ด, ดพูดแล้วเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลก เป็นผู้ที่ไม่แกล้งกล่าวเท็จอันนี้คือมุสาเพราะนี้มันมีอยู่ทั้งหมดสี่ห้าอย่างอย่างที่สเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยพูดกับอ่าปราโมง์หนึ่งบอกว่าคนที่ติดเตียนคนที่ควรติดเตียนโดยการอันควรแล้วก็สันเสริญคนที่ควรสันเสริญโดยการอันควรเนี่ยเป็นผู้ที่ควรยกย่องเพราะว่ารู้กาลละใช่ไหมอ่าประการที่สามก็คือว่าการพูดไม่เบียดเบียนคนอื่นอนะ่าู้ที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยก็คือว่า ที่บอกกับพระราหุลบอกว่าเอ๊ะพฤติกรรมที่เรากําลังจะพูดไปตอนเนี้ยเป็นไปเพื่อบีบเบียนตัวเองไหมบเบียบเบียนคนอื่นไหมบเบียบเบียนทั้งสองฝ่ายไหมถ้าถ้าเป็นอยู่นะรีบหยุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนเ้าถามเราเนี่ยว่าถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นถ้าเราพูดไปแล้วนะบเบียบเบียนเขานะเราไม่ควรพูดะอันนี้ประการที่สามประการที่สี่ถ้าเรากล่าวในสิ่งที่สิ่งที่เห็นว่าไม่ได้เห็น หรือกล่าวในสิ่งที่ไม่เห็นว่าเห็นเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนี่อันนี้ตัวอย่างนี้ดีมากเลยพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอพระเทวทัตส่งลูกน้องมาตามฆ่าพระพุทธเจ้าตอนที่ต้องการจะตรุงชีวิตพระพุทธเจ้าใช่ไหมให้ลูกสมุนคนหนึ่งจ้างจ้างนักฆ่าคนหนึ่งมาฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็จ้างนักฆ่าอีกสองคนมาตามฆ่าบุรุษคนแรกนักฆ่าคนแรกจ้างนักฆ่าอีกสี่คนไปตามฆ่านักฆ่าคนที่สอง เจ้านักฆ่าอีกแปดคนไปตามนักฆ่าอีกสี่คนนั้นเป็นทอดเป็นทอดไปอย่างนี้ไม่หร อ, อไหมพอคนแรกนักฆ่าคนแรกนะมาถึงปุ๊บพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอ่ะแล้วก็บอกว่าอาเธอพอพอนักฆ่าคนแรกเปลี่ยนความเห็นใช่ไหมก็บอกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอาเธออยากกลับไปทางเดิมให้ไปทางใหม่แล้วพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนที่นั่งจากนั่งตรงนั้นมานั่งตรงนี้พอมานั่งตรงนี้นักฆ่าคนที่สองตามมา ได้รับคำสั่งว่าไปให้ค่านักฆ่าคนแรกใช่ไหมหนักฆ่าสองคนที่ตามมาเนี่ยก็ถามว่าไอ้นักฆ่าคนแรกไปไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ตั้งแต่มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นใครเลย mm. นัน่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเราต้องบางที อ, อการที่เราจะเป็นสัจบุรุษในการที่เขาเรียกว่า อ, อแม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นเนี่ยก็นําเอามาสิ่งต่างๆมาทําให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความไม่ดีของบุคคลอื่นอย่างไม่เต็มที่ ใช่ไ ม, มันมันไม่ได้เป็นการกล่าวมุตสาใช่ป่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราจะไปถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยเป็นการที่ทําให้เขาแตกจากฝ่ายโน้นนะแตกจากฝ่ายอื่นอ้าวนี่เป็นการพูดส่อสเสียดก็ผิดธรรมอีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากถ้าเราพูดไม่กระเทือนใครใครในโลกนี้เลยนะนั่นแหละเป็นวาจาของสารประรเป็นวาจาที่พระรู้เจ้าันุญาตให้ทําไม่เบียดเบียนใครค่ะท่านฟังที่ ยังไม่คุ้นเคยกับพุทธวจนะของพระพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่องของการพูดเนี่ยต้องบอกได้เลยนะคะว่าตรัสไว้อย่างละเอียดมากเท่ากับว่าการพูดเนี่ยเหมือนกับเป็นประตูที่ทำให้มนุษย์เนี่ยไปสู่ความความทุกข์คือจะรุ่งหรือจะจะร่วงก็นะคะอย่างกับเช่นวาจาของสัต์บุรุษที่ขอนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในส่วนตัวเองเนี่ยอยู่กับคู่มือคืออยู่กับพุทธวจนะนะคะว่า ท่านฟังลองคิดดูว่าในกรณีแรกในอ่านซ้ําที่เป็นคําถามเนี่ยนะคะคือเมื่อมีคนถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏสัตว์บุรุษเนี่ยนะคะเมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นําเอาปัญหาไปทําให้เหลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่คือเหมือนกับว่ากล่าวโดยระมัดระวังไม่ใช่ไปซ้ําเติมเขาถูกต้องนะคะ อันนี้เพียงพอสําหรับคําอธิบายไหมคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นการกล่าวเท็จแต่เป็นผู้ฉลาดในการที่จะใช่วาจาในการทําอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งยากนะคะการที่จะใช้วาจาอย่างนี้ท่านฟังลองไปฝึกฝึกดูก็ได้ว่าอืมเรารู้นะว่าคนนี้เขาทําไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อ่าเห็นหน้าเพื่อนแม้อยากเล่าจังเลยอืลองระงับซิไม่เล่านะคะทั้งทั้ที่เขาเป็นบุคคลที่น่าเล่ามาก <c oughs> ยากนะคะส่วนถัดมาก็คือว่าถ้าหากเพื่อนเขารู้บอกเออฉันรู้มาว่าเธอรู้ว่าเขาไปทำอย่างนี้มานะเธอจะพูดยังไงนะคะต้องใช้สติมาก ค, คิดดูนะถ้าสมมุติว่าขณะที่เราเล่าอยู่เรามีวาจาที่เป็นวาจาส่อเสียถูกป่า <c oughs> อะอายุให้เขาแตกกันเป็นต้นนะหรือวาจาหยาบก็แล้วแต่เนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเกิดตายไปตอนนั้นเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะไปไหนคะท่านคะ มันก็ต้องไปนรกกันกเนเลยแล้วเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเปลียนตัวเองได้ใบทัวร์เลยอ่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยบอกพระราหุลบอกว่าเนี่ยถ้าจะกล่าววาจาใดนะว่าจีกรรมการการะทำทางวาจาใดที่กําลังทําอยู่แล้วเป็นการเปลี่ยนเปลียนตัวเองนะรีบร บ, รบหยุดหยุดหยุดอืมค่ะอ่ามีอีกสามประการของวาจาสัตบุรุษนะคะอ่านเลยอ่าพระพุทธรัตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่ถูกใครถามอยู่ ถึงความดีของบุคคลอื่นก็ยังนํามาเปิดเผยให้ปรากฏเขาไม่ถามก็ยังเอามาพูดนะคะถ้าเป็นความดีของคนอื่นจะต้องกล่าวทําไมเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นําเอาปัญหาไปทําให้ไม่หลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความดีของผู้อื่นโดยพิสดาบริบูรณ์ หมายความว่าโอถ้าเขาถามมาถึงความดีของคนอื่นแล้วไม่ต้องไปหักทอ น, นลดอย่างไร น, นะคะให้อ่านให้ให้พูดโดยพิสดานบริบูรณ์โดยละเอียดสมบูรณ์ละเอียดตัเองค่ะประการที่สาท่านะคะภิกษุทั้งหลายสัตว์บุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ยังนำไปเปิดเผยทาให้ปรากฏ ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของตนเวลาเราทำไม่ดีไม่มีใครถามต้องไปสารภาพงั้นเหรอคะใช่ก็เป็นระบบของการปรงอาบัติของพระเพราะว่าสมมติเราทำผิดอย่างเงี้ยไปไปฆ่าสาัตว์อย่างเงี้ยไม่มีใครเห็นพระพุทธเจ้าเลยให้ปรงอาบัตมาเปิดเผยแก่เพื่อนประพฤติปรมจันทร์ด้วยกันอนํามาเปิดเผยความไม่ดีของตัวเองให้ปรากฏเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งสามอย่างที่เมื่อเปิดเผยแล้วเนี่ยจะเจริญไม่ได้นะก็คือมิจฉาพิธิ อย่างหนึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเปิดเผยแล้วมิจฉาทิฐิจะเจริญไม่ได้ถ้าปกปิดสิมิจฉาทิฐิจะยิ่งเจริญอ๋อค่ะเพราะนั้นเลยเปิดเผยออกมาค่ะแล้วมีต่อนะคะสําหรับคุณสมบัติของสัตว์ตระบรุษนี้หลังจากที่ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของตนให้เปิดเผยแล้วเนี่ยทําไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อถูกถามเล่าก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ไม่นําเอาปัญหา ไปหาทางทําให้ลถหย่อนบิดพลิ้วแต่กล่าวความไม่ดีของตนโดยพิสดารเต็มที่คือต้องพูดโดยไม่ยัง้งเลยไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยนโดยละเอียดเง็งําไว้ใช่นะคะและอีกประการหนึ่งวาจาของสัตวบุรุษของสัตว์บุรุษบอกว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์บุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้มีใครถามถึงความดีของตนก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏทําไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามเล่า ก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนก็นำเอาปัญหาไปกระทำการให้ลดหย่อนหลีกเลี้ยวเสียกล่าวความดีของตนโดยไม่พิสดานเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตว์บุรุษก็เป็นคนที่ทำตัวค่ะฟินคุณสมบัติที่ดีเหมือนกันก็ส่วนใหญ่นะคะอันนี้บุคคลที่ไม่ทาตัวให้เด่นน ะ, ะจะมีอยู่ข้อหนึ่งในแปดข้ อ, อ, อในเจ็ดประการ หนึ่งในคุณสมบัติของคนที่จะเป็นที่รักใกล้ของคนอื่นเป็นคนที่น่ารักเนี่ยหนึ่งในคนุณสมบัตินั้นก็คือไม่ทำตัวให้เด่นค่ะจะจเป็นคนที่น่ารักพุทธิชาเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะเอาไปจากคำสอนของพระพุทธองค์มั้งคะก็ดูเหมือนกับว่าจะมีเทคนิควิธีในการเข้าสมาคม ใ, ในการมีมนุษย์สัมพันธ์ในข้อประมาณเนี้ยนะคะว่าอย่าไปยกตนต้อง่อมตน เป็นต้นทั้งหลายทั้งปวงนี้ท่านผู้ฟังจะเห็นภูมิปัญญาของพระพุทธองค์นะคะแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติกันในชีวิตประจําวันในแต่ละวันเนี่ยบางครั้งเราได้ไม่รักษาความเป็นสัตว์บุรุษไว้อต้องมีสติอย่างมากเลยล่ะค่ะยากนะคะคือคือดิฉันคิดว่าที่คุณณนะถามคําถามมันนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องที่ความไม่ดีของคนอื่นไม่ให้เปิดเผยให้และถ้าจะเปิดเผยต้องหลีกเลี้ยวลดหย่อนเนี่ยค่ะ ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะก็ไหนบอกว่าไม่ให้พูดปลดไงหลีกเลี้ยวลถหย่อนนี่ไม่ได้โกหกหรือยังไงใช่ภาษาอังกฤษก็าจะเรียกไวายไลน์วายไลน์แต่ถ้าจําเทคนิคของพระพุทธองค์ที่ว่าเขาจะไล่ฆ่ากันทั้งทั้งที่พระพุทธองค์เห็นว่าผ่านมาทางนี้คนที่ถูกไล่ฆ่าก็ยังตรัสว่านั่งอยู่ณที่นี้ไม่เห็นใช่ตั้งแต่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นใครเดินผ่านไปมันก็จริงของท่านนะเนาะใช่ค่ะไม่ได้โกหกเลย <c oughs> คือคืออาจารย์มาเลยบอกว่านิ่งอยู่กับพูดผิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันค่ะนิ่งอยู่จะดีกว่าไม่ดูหมิ่นความนิ่งของพระริเจ้ า, าเป็นผู้ดีจําได้ว่ามีมีคําคําพูดของพระพุทธองค์ในทํานองที่ว่าพูดน้อยนี่มีประโยชน์ยังไงนะคะท่านใช่พระรัชกาพูดถึงบุคคลที่พูดมากมีโทษห้าอย่างค่ะบุคคลที่พูดมากเนี่ยจะมีโทษคือหนึ่งจะเป็นุคคลพูดปด พูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเบอร์เจอร์แล้วเสี่ยงต่อการไปนรกกาเนิดเดชาเตยพิสัยห้าอย่างโทษห้าอย่างของบุคคลที่พูดมาอันนี้ส่งห้าอย่างของบุคคลที่พูดพอประมาณมีอันนี้ส่งอยู่ห้าอย่างคือหนึ่งจะเป็นผู้ไม่พูดอดไม่พูดเบอร์เจอร์ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาแล้วก็จะเป็นไปเพื่ออสุกติโลกสวรรค์อันนี้ส่งห้าอย่างของผู้ที่พูดพอประมาณ ประกอบอาชีพนักพูดอย่างกับที่ทําอยู่ขณะนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะคะแต่เก็พูอาจารย์ที่มีสมาธิเ <c oughs> พราะว่าต้องพูดเยอะค่ะท่านอ <c oughs> าจารย์คะพอดีเวลาหมดแล้วจริงๆะงนะคะยังไงคงจะต้องเก็บรวบยอดคําถามที่เหลือเอาไว้ในสัปดาห์หน้าะนะคะวันนี้นามัส ก, การขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคะ่ะได้เจริญพรท่านฟังที่เคารพค่ารายการสันสนิสนทนาดาเนินรายการโดยดิฉันสัสนิษานพงศ์นะคะที่ท่านฟังกําลังฟังในขณะนี้ ติดต่อกับทางรายการของเราได้หลายช่องทางค่ะช่องทางหนึ่งก็คือที่สถานีวิทยุแห่งนี้นะคะ FM ฟเอร้วิทยุครอบครัวข่าวหมายเลขโทรศัพท์0 2น6์สอ0สเาศนย์นะคะซึ่งหมายเลขเดียวกันนี้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะเขียนมาขอหนังสื อ, อขอโทษคะ่ะโทรศัพท์มาขอหนังสือที่เรากาลังแจกก็คือหนังสือพุทธวจนะฉบับอาณาปานาสติโดยพระตถาคตนะคะ